อยู่ด้วยสงา่างามไปด้วยความสงา่างามนั่นแหะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอย่าไปตัดน้ําทับทางตนเองไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่แล้วก็ตัดน้ําทับทางตัวเองไปเดื่อดกลับมาก็กลับไม่ได้เพราะมันมีความมีน้ํากลับมาไม่ได้ไม่ควรจะมีถ้าผู้มีปัญญาแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นทางโง่เง่าเตา่า ต, ตูนแล้วก็ไปที่ไหนตัดน้ํา ทับทางตนเองน่ยกลับคืนมาก็ไม่ได้เนี่ยตัวเองอยากจะมาเขาก็ไม่ให้ไปไม่เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไปยุทธสถานที่ใดให้ตรวจตราดูการกระทําการพูดของตนเองอย่าให้มันมีเรื่องกระทบกระทั่งหมู่พวกเพื่อนอย่าให้มีปัญหากับวัดวานศาสนาครูบาอาจารย์ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม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 ในเมื่อมาแล้วก็ต้องศึกษาทำไมพระพศาสนาเนี่ยเขาจึงนับถือมาตองสองพันกว่าปีมีดีอย่างไรเราควรจะศึกษาควรจะวิเคราะห์อย่างนั้นมันจึงจะถูกไม่ใช่เข้ามาแล้วก็กินเป็นวันๆดูเป็นวันๆไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้เป็นการเตือนนะแต่คิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะไม่เป็นอย่างนั้น พวกเราทางหลายควรจะเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาจากนั้นก็ทดลองทดสอบในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนสอนอะไรสอนนามธรรมสอนใจอาารยไม่ได้สอนอย่างอื่นสอนการกระทำก็สอนแต่ก็สอนใจถ้าใจฉลาดแล้วก็การแสดงออกมาทางนอกมันก็ฉลาดไปด้วยการพูดก็ฉลาดการกระทำก็ฉลาดเพราะใจฉลาด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 สำเหนียกส้ำนึกตั้งความสงสัยไว้ในใจปัญญาเกิดถ้าว่าไม่คิดไม่อ่านอะไรอยู่เป็นวันๆไปซื่อบือ้อนอนจมปลักอยู่ยงั้นอยู่ร้อยปีพันปีมันก็ไม่ฉลาดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะไปอยู่ณนะสถานถิ่นใดในวงการใดก็ให้สังเกตการเป็นอยู่ของตนเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าเรา ขาดตัวบกพ่องแล้วไม่เป็นพ้นดีตัวเองก็เอาตัวไม่รอดไปอยู่กับใครเขาก็หนักใจอพ้นสุดก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาตัวไม่รอดแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายก็หนักอกหนักใจด้วยกับตัวของเราเพราะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพวกเราควรจะเอาหลักธรรม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 เครื่องซักผงซักผ้าอะไรก็ตามเนียแว่าของสงก็ว่าของสาธารณะที่ใช้ในสงเอาออกมาใช้แล้วไม่รู้จักเก็บเข้าที่เก่าทิ้งเกินไปหมดหมู่เพื่อนก็เตือนว่าท่านเอาออของมาใช้แล้วท่านทำไมไม่เก็บของพระองค์นั้นก็ทิฏฐิทิฏฐิมานะอ่ะโอ้ยของนั้นไม่ของไม่มีวิญญาณและก็เป็นของไม่วิจิต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 ยังหน้าด้านอีกเด้ยัยงหน้าด้านฝ่าของที่นั้นเน่ยเป็นของที่ไม่มีวิญญาณของที่ไม่วิจิตของไม่สวยงามกระผมพอออกมาก็ไม่ได้สนใจออกมากระใช้แล้วทิ้งไหมเธอจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงบุคคลเจ้าในเมื่อเธอเอาของสงของกลางออกมาใช้เธอต้องเก็บถ้าองค์ใดก็ตามไม่เก็บปรับอบัติปาจิตติ เก้าอี้ของสงต๊ะตั้ ง, งเก้าอี้ของสงมาตั้งในที่แจ้งแล้วไม่เก็บเมื่อหลีกไปแล้วไม่เก็บแอบปรับอาบัด เ, เธอจะถือว่าเป็นของเล็กน้อยได้เหรอการทําความชั่วในหัวใจของท่านเหมือนกับไฟนั่นแหะประมาทได้แล้วว่าเป็นของเล็กน้อยมันก็พร้อมที่จะไหม้ลุกลามไปได้เพราะมันเป็นไฟของที่ไม่ดีเหมือนกับเป็นไฟ ปุท่านจะประมาทได้หรือว่าของเล็กน้อยเหมือนกับภาชนะนี่ยนะแต่ภาชนะที่หงายขึ้นฝนตกทีละหยดทีละหยาดลหลายหครั้งภาชนะนั้นก็เต็มด้วยน้ําได้ชั้นใดความชั่วของท่านท่านรับทีละน้อยละน้อยทุกวันทุกเวลาใจของท่านก็ได้รับความชั่วเต็มไปหมดในหัวใจของท่าน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 ถึงจะเป็นของเล็กน้อยอสิ่งนั้นก็คือเป็นของที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะจะใช้ของสงของอะไรก็ตามภายในวัดใช้แล้วต้องคิดไม่ใช่เอาไปใช้แล้วทิ้งเกลื่อนอันนั้นคือของสงเข า, เามาถวายสงไม่ใช่ถวายเราไม่ใช่ให้เรา เรานําไปใช้แล้วก็เก็บมาไว้ที่เดิมที่เก่าอันนั้นแปลว่ารักษาของส่งฆ์ทางว่าพวกเราเอาไปทิ้งไม่เก็บไม่รักษาปรับประบาดนะแปลว่าจิตใจลองรับความชั่วอไปเป็นวันๆเป็นเดือนๆปีๆไปความชั่วนั้นอนะ่ะสุดท้ายมันจะได้ให้ผลเอเหมือนกับเรานับหนึ่งสองสามนับนับเงินนะ่ะถ้าเรานับเงินหนึ่งสองสามหลายๆครั้งมันก็เต็มกระเป๋าอันนี้คือบุญกุศล ถ้านับขี้เข้าไปบ้านก่อนนั้นก่อนนั้นก่อนนั้นก่อ น, น, นเล็กก่อนน้อยเข้าไปเออมีแต่ขี้โลบขี้โกดขี้หลงเต็มหัวใจบ้านมีแต่ไปทางชั่วทั้งนั้นอนะ่ะขี้โลบขี้โกดขี้หลงเต็มหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆองนะที่เป็นพระเก่านะสิ่งไหนก็ตามที่เป็นของกลางของสงแล้วนําไปใช้แลรีบเอามาไว้ที่เก่าเก็บเอาไว้ที่เก่าเก็บรักษาไว้ให้ดีอันนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้า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 การประพฤติปฏิบัติบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของเราใจของเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าเราทําให้ถูกไฟในนรกนะ่าจะเผาใจเราจะคิดว่าเราจะมีความสุขน ะ, ะร้อนวันนั้นบ้างร้อนวันนี้บ้างอันนั้นก็ไม่จําเป็นอันนี้นไม่สําคัญเห็นหมู่เห็นเพื่อต์ก็ควางหูขวางตาไปหมดเห็นญาติเห็นโยมก็คล้ายๆกันไม่ให้ความสําคัญไปหมดเหมือนตัวเองนีง่เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัตว์นรกมันไม่ได้มองดูอย่างนั้น มันไม่ใช่เทวบุตรเทววดาที่ไหนได้่ถ้าใจเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นคุณค่าอะไรหมดแล้วใจเป็นนรกละถ้าลักษณะอย่างนั้นหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราต้องพยายามฝึกฝนนะฝึกฝนกายวาจาใจของเราฝึกฝนใจของเราให้ยอมรับยอมรับคำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับมูพวกเพื่อนครูบาอาจารย์เป็นภูมิมุ่งมั่น เป็นผู้แบกไหว้เหมือนกันเพื่อจะเดินทางแบกไหว้มหาสมุรเหมือนกันเพื่อจะข้ามฝังไปสู่อีกฝากคือพระนิพานเพราะนั้นเราองค์หนึ่งเหมือนกันแบกไหว้ต้องให้ความสำคัญซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วตัวเองจะกลางจะใหญ่จะฉลาดมองคนอื่นไม่อยู่ในสายตาไม่ได้เลยต่างคนต่างมองกันไม่อยู่ในสายต า, ยางั้น มีแต่เรื่องจุ่งเท่านั้นจะเกิดขึ้นได้เลยเรื่องกิเลสกิเลสโทสะกิเลสโมหะอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายนะการพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ได้พูดให้องค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เหยียดย้มท่านผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพูดเป็นคํากลางถ้าพวกท่านทําอย่างนั้นจีบหายความหายนะะจะเข้ามาสู่พวกเราแน่นอนแต่ถ้าพวกเรามีเหตุมีผลในจิตในใจ รู้จักเขารู้จักเรารู้จักหมูพวกเพื่อนรู้จักสูงรู้จักต่ารู้จักสิ่งควรพูดไม่ควรพูดสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละหลวงปู่ล่าท่านบอกนะในเทปฟังดูแล้วไม่ใช่แต่หลวงตาเด้หลวงปู่ล่าเอาเทอะนะอย่างพระในวัดของเรานี่นะกัหมัดกัมมวยเสกันนะ่ะเราจะไล่หนีทั้งคู่นะ เราจะไม่ให้อยู่นะอเป็นพระกรรมาฐานทําอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระกรรมาฐานมาละกิเลสเราจะมาแข่งมาแย่งกันมาใช้ทิฐิมานะใส่กันไม่ได้นะไล่นี้นะหลวงปู่มั่นท่านก็นทํามาอย่างนั้นถ้าว่าใครผิดใครถูกไปฟ้องเจ้าคณะตําบลอาเภอนะ่าตรงนี้ต้องไร่ออกเสก่อนในวัดนี้ต้องไร่ออกเสก่อน ถ้าจะว่าฟ้องว่าใครผิดใครถูกต้องไปฟ้องพุเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะแต่ตรงที่วัดของเราเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นแล้วไม่ได้ผิดกฎ ต, ต้องไล่ออกหลวงปู่ท่านพูดอย่างนั้นหลวงปูล่ลาฟังเออไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแต่สมัยก่อนผมอยู่กับท่านก็มีพระอยู่องค์สององค์ท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่พอต่อมานี่พระมากเลยท่านก็ต้องใช้พระเดชเข้ามา พระเดชทั้งพระคุณอยู่ด้วยกันมีทั้งพคุณอย่างเดียวไม่ได้ปกครองไม่ได้ต้องมีพระเดชทั้งพระเดชทั้งพระคุณอยู่ด้วยกันอสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เอาจัดการถ้าสิ่งไหนดีก็เอาอยู่ร่วมกันอนุโมทนา ส, สาธุต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเราเสา ะ, ะแสวงหาทางพ้นทุกขแกหวกว้ มหาสบุดเพื่อจะข้ามฝั่งโอฆะสงสารจะไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารนี่เองพยายามต่างองค์ต่างพยายามต่างองค์ต่างมีความมุ่งมั่นถ้าทุกองคมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่มีในวงการสงของพวกเราแต่พวกเราแย่งกันอยากจะมีความสุขอยากจะได้กินมากกว่าเพื่อนอยากจะได้นอนมากกว่าเพื่อนออยากจะได้ลาบยศสนะเสริญ มากกว่าเพื่อนอยากจะให้คนยกย่องมากกว่าเพื่อนนั่นหละตัวกิเลสตัวเป่งตัวนี้อยู่ที่ไหนมันจะมองเห็นคนอื่นไม่อยู่ในสายตาอะไร่นี่กิเลสตัวนี้มันจะข่มหลังแกไขไปทั้งหมดยกตนสูงท่วมฟ้าพอนะ่ะทั้งที่กิเลสตัวนั้นมันต่ำยิ่งกว่าสัตว์ที่ไรฉานอสุรกายกต่างหากกิเลสประเภทอย่างนั้น วันนั้นพวกเราอย่ไปให้ความสําคัญนะอต้องเป็นผู้อ่อนออ น, น้อมถ่อมตนรู้จักท่านวัยวุธคุณวุฒธครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนมีคุณค่าทั้งหมดนั่นแนหะต่างองค์ต่างมีคุณธรรมในจิตใจแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมาสู่พวกเราเอาแน่นอนเอพราะความการอยู่ร่วมกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีนี่แหละที่มีความร่มเย็นเป็นสุข เรื่องขาดตกบกพ้่องนะไม่มีแล้วอย่าไปคิดถ้าเราอยู่อย่างพระก็อยู่อย่างพระไม่มีอะไรขาดตกบกพ้องผมดูอยู่แล้วของใช้ไม้สอยของอยู่ของฉันอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรไม่มีผมดูแล้วไม่มีสมบูรณ์ขานาด น, นี้สมบูรณ์จะให้กว่านี้ไปไปกิเลสถ้าเกินกว่านี้ไปแปลว่าส่งเสริมกิเลส แต่ขนาดนี้ผมดูแล้วก็ยังพอแรงอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านอยู่ยังไงถึงจะมีมากท่านก็ไม่ฉันก่อนที่ท่านจะฉันท่านก็มองดูเส ก, ก่อนว่าควรจะฉันอะไรสิ่งนี้ฉันเข้าไปมันจะเป็นพิษเป็นภยนะัยหน้าเนี่ยพอเราจะฉันพระเน่งจะฉันท่านตาทะลึ่งใส่เลยมันไม่ดูตัวเองเหรอทําไมมันไม่รักษาตัวเองจะให้ครูบาอาจารย์รักษาให้เหรอถ้ามันไม่ไม่สังเกตพอกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไง ทำไมมันไม่สังเกตอือันนี้น่ะโดยมากท่านเป็นอย่างนั้นท่านเห็นในตาทรึงเสียเลยเป็นใช่ว่าท่านไม่ไม่ไม่ใหอยากให้ฉันแต่พอฉันแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยเพราะนั้นท่านจึงห้ามปลามเอาไว้แต่ผมก็ไม่ได้คิดทาถึงขนาดนั้นแต่บางครั้งผมก็บอกออบอกก็อย่างว่า น, นั้นแ่ะคือแนะแนวทางผมก็พยายามบอกกล่าวเตือน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 ถ้ากินตามอมเพลย์ใจนอนตามอมเพลย์ใจคุยตามอมเภอใจมั่วสุมกันตามอมเภอใจพูดคุยตามอมเภอใจพูดได้เลยถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ต่อไปภายภาคหน้าแหอเป็นผู้ใหญ่ชังกระตายไปเป็นอย่างนั้นล่ะหากอดหากเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะในคํำนี้ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่เป็นผ้าหนุ่มผ้าน้อยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำถ้าทําไปแล้วมันเป็นชนักติดตัวเอง ออย่างพระหนึ่งเหมือนกันนัน่นะถ้าไปต่อยไปตีกันแล้วนั่นแหละมันติดชนักไปถึงวันไหนเนาะ น, นะคิดขึ้นมาวันไหนก็นั่นแหละเนี่ยใครได้ยินก็อายไปถึงนั่นอย่าให้มันมีในวงการของตัวเองอย่าให้มันเป็นประวัติติดตัวเองอย่าให้มันมีเป็นประวัติการพูดกันจาอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสรู้อยู่แล้วเขามีกิเลสเราก็มีกิเลสเราจะไปชนกับเขา ถ้ามันมีกี่เดี๋ยถ้ามันเผาตัวเองอย่าทำเป็นออกไปเผาคนอื่นอย่าไปแย่คนอื่นถ้าแย่คนอื่นเขาตีปากกันปากเยินเลยท่านนี่เป็นประวัติละบาดเลยไปประวัติ <c oughs> ตถึงถึงไหนน่ะถ้าเราชอบอย่างงั้นไหมเราชอบอย่างงั้นไหมถ้าชอบแล้วก็เจออีกแน่นอนล่ะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งมันแกงเท้าหาเซียนเด้แกงเท้าหัเซียนมันก็ต้องเจอเซียนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังไว้นะคํานี้ อันนี้เป็นการสอนบอกกล่าวในวันอุโบสถนะปา ร, รบเรื่องกฎระเบียบวินัยให้พวกเราได้ฟังต่อนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมก